หรือว่าขี่จักรยานพร้อมกันดังลักษณะอย่างนั้นแต่คนหนึงไปเบียดหน้าเบียดหลังทำให้คนอื่นลาคาญเรอดร้อนอผู้เป็นจ่าฝูงก็ต้องบอกเอ้ยทำอย่างนั้นไม่ถูกนะเดินไปตามแถวตามแนวนะต้องขี่ไปตามนั้นนะจะไป เ, เบียดหน้าเบียดหลังไม่ได้นะแ้วถ้าไม่มี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 ไปแล้วนะเราย่งคอยมาคิดทีหลังเห็นหนะั้ยล่ะหลวงพ่อเป็่เจ้วัดสร้างศาลาหลังนี้ทนาใหญ่แต่จำไหมนั่นกับุลงตาโดนดุอีดุจากหลวงตาอีกตั้งหากถ้าหว่าหลวงตายังอยู่พื้นศาลาเนี้ยังทำไม่ได้นะลูกหลานนะยังพื้นยังเก่าศาลา น, นอกก็ยังไม่มีถ้าหลวงตายังอยู่นะนี่แหละหลวงตาหลวงพ่อให้ความเคารพในแนวความคิดขององค์หลวงตาเอาทาไม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 ทองอย่างนี้ยลำลางที่มันทางออกไปนะไม่ใช่น้ํำตื่นๆนะั่นลูกหลานนั่นนะท่วมหัวมิดอย่างนั้นนะออถ้าคนว่ายน้ําไม่เป็นตายตกน้ําตายอีตาหากนะักเนี่ยแหละอันนี้หลวงพ่อคิดไกลถึงขนาดนั้นแล้วลูกหลานเพราะนักการจะทําอะไรออกไปเนะี่ยหลวงพ่อต้องได้คิดซะก่อนเออไม่ใช่คิดหนึ่งสองสามนะคิดถึงสนะิบพอนับถึงสิบแล้วจะกลับมานับสิบหนึ่งนั่งนับหนึ่งอีกนะ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 ออพอเห็นทิศไหนก็หลบออพอท่านไม่อยู่ท่านนั่นหละวดท่านั่นท่านนี่ดูดูแล้วมันยังไงยังไงมันไม่ถูกนะพวกพระเนียนทุกองนะฟังๆเอาไว้นะต่อไปรับผ่อนที่นี่นะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา